เรอปัจจุบนนี้ที่เอาไว้เหางาเพราะสิ่งใดสังเกตุบุคคโพดผ่นเพิ่นชีโรปอาหารหรือไใหม่สุขภาพของเพิ่นกินได้ซ้ำไหนในเวลานี่ยคืนๆลงๆซ้ำไหนเพิน่นจิตสันไหนซ้ำไหนเมื่อไปซ้ำไห น, ไไหนขัดเพิ่นสันอาหารมือแล้วซ้ำนั่นเพิ่นเมื่อใดซ้ำนั่น นี่ลน้าเพิ่นทำการทำงานก็กาะแก๊กเพิ่นไปเบิ่งน้าห้อสุขภาพของเพิ่นสิสูไดไอซ้ำไหนเดี๋ยวควมเก็ดควอมป่วยของเพิ่นมือนี่ไข้ซ้าไหน ม, มือนี่มันเป็นยังไงเนี่ยมา่งนายุภาพพดกระโขกสิยูนํำสิสังเกตทั้งนั้ น, นวาสั่นมวยปะเนี้ยยูน้ำห่อหอนมือตายกระโวยปะเนี้ย พาพรอนทอนสบยเพิ่นเอาขึ้นมาไว้ในกุฏิเพิ่นเพื่อประสงค์อย่างบางที่เพิ่นเอาขึ้นมาคันเอาเพิ่นเอาขึนาา้นมาไว้แล้วนั่นเวลาเอาไปตัดไปยังเพิ่นหวงบ่ก็ต้องสังเกตพ เ, เพิ่นเอามไว้เพื่ออย่างเพื่อหา้ไฟไหม้ย่าให้มันไหม้กุฏเดียวหลาย กุดหังนี่กุดวเขากุดหนูพ่กเขาเรือพื้นยังไงควนหายไผพื้นยังไงควนหายไผควหายจั ก, กรจาจังไงการเอาเอาของหายมือ่าในมุมหมายว่าจะเอาตังแต่ผ่าเก้าไม้ม้หาหนาเดียวยว่าในมุมหมายว่าจะตัดไม้หายนาเดียวก็เบนกระลเสสาของมันอีก ไม่บอกยังสั่นว่ะกายภาคกัมพีเจะน่า ม, มัดแถมมารอบด้านอันมุ่น อ, อนสูรตั้งตแต่ทิฏฐิมานะมาดันโลดพี่เจะน่า ันบว่าสลามหมมือตายคํา่าสลาต้องสลาทุกด่านเรักษาศาติรักษาชาตนากักรักษาทุกด้านคือกันบ่มัมนเสีสักษาใ จ, ใจใจตัวผู้เดียวเเขามาอยู่กับูเขามาอยู่กับพักกับพวกก็าาไปอยู่นอนทำนอนเหี้ยผู้เดียว เชิงไปยุ่ในทำในเหวือผู้เดียวก็ต้องเลยรักษาราร้ใจคือกันต้องมีโอมอุปถัมภ์ผูหนึ่งนำทรงว่าผู้นึงก็ต่องผู้นึ่งต่อง ต, ติด ต, ต, ต่ตตอเขาบฏิิตต่อห่อห่อกลับไปติดห่อก็ติด ต, ต่อเขาอยู่คือกันเขาพ่อเปิดค่นทางให้ทิศเขาบอกว่าสัตว์อรรดว่าเขากี่เขาแับคน้นนุ่งานับน้นไปยุกกยไป่ไก่ไปไหนก็นต้องอาศัยคน้นคือกัน สิอยูก่กับมืมากก็ต้องอาศัยคนภายนอกสิอยูก่กับมืหน่อยก็ต้องอาศัยคนภายนอกคือกันวันผู้นึ่งกัผู้นึ่งมาม่ใช่บาตให้กินว่าสันติกินใส่เสร็จนี่ขอทักทัก เพประสงค์เพื่อพนทุกในวัฏสงสารพระนวิชาสิประกอบพนทุกในพัตวสงสารมันไม่ยัง้งแน่ขอวัดมันไม่ยัง้งแน่อันชีวัดเรียงออกจากวัฏสงสารนี่คาขมาัสีละวัดนี่กินข้าวก้ว คือกขั น, นเอาอ้าวยังแต่กลัวน้าสิเอาแต่สมาธิหวัวต่อนานเดียวเนี่ยท่านไงเขาอยู่กระมูอัน้ทีเห็นยังไงฮะนี่การงานที่เกี่ยวกับมูอก็ะจัดเป็นศีลวัดคือการซึ่งการงานบนดอกเหมือพระธรรมาวินัยเสนาสนวัดก็เป็นศีลวัดคือกันอาจารย์นี่เราลิจารวัดก็เป็นวัดของศีลคือกัน อุปชาญาวัดก็เป็นวัดของศีลเหมือนกันจริงกรณีเยสุทักกตาความขยันเอาใจใส่ในจิตุระของเพื่อนพิกษุสมณีในทางทตรชอบก็เป็นขอวัดขึ้นกันจริงกันณีเยซูทักกตาความขยันเอาใจใส่ในจิตุระของเพื่อนสมณีพิกซูสมณีในทางไตรชอบนั่นก็เป็นขอวัดของศีลของทรามขึ้นกันอันนี้ก็ลด้ พูดคนหนึ่งก็ให้มันแล้วหมดเราทำเนียใครดีเราอยู่กับหลวงปู่มหาหลวงปู่มหาเป็นยังไงด้วยและสั่งสอนยังไงด้วยเวลาท่านดุดุดวยเหตุอะไรเวลาท่านชมชมด้วยเหตุอะไร ก็ขอให้สังเกตทีนี้ภาษาไม่รู้จักภาษากันก็อาศัยคุณสุดใจเป็นผู้สมานกันบ้างเพราะต่างคนก็ต่างหวังดีไม่อั้นอยู่ไกลหมู่ ก็ต้องดูหมู่ตามสมควรมากคนเรามันต้องผิดทุกคนสิ่งไหนที่ผิดแล้วต้องเข็ดไม่ทำอีกใครๆก็เหมือนกันหมดปารลบคนหนึ่งก็แล้วหมดวัด จึงถูกถ้าปลาลกคนในคนหนึ่งก็เข้าใจว่าเทศคนค น, คนนั่นคนเดียวคนนั่นไม่ฉลาดสักทีเลยอยู่กับลงปูมั่นถ้ายกอันใดอันหนึ่งมาเทศก็เท่ากับว่าเทศมดหมู่กับทั้งเทศผูพ้พูดด้วยผู้เทศด้วย สิ่งไหนที่มันไม่เหลือไม่ใสซึ่งเป็นข้อวัดของเราประจำวันสิ่งนั้นไม่ควรทิ้งให้คนนั้นไม่ทิ้งในคนนี้เราก็ไม่สิทธ์เราก็มีสิทธิ์รักษาพอ่อแม่เราก็เหมือนกันสําหรับข้อวัดของผมตัดน้อยลงแล้วถึงว่าจะหนักจะบ่นว่าหนักข้อวัดเนี่ยของผมผมก็หมดขนทางที่จะพูดกระมูมเหมือนกัน เพราะผมก็รู้จักอตัตารยุตาอยู่จะให้หมู่ปฏิบัติเราเพียงไหนหนอจึงจะไม่ขาดข้อวัดถ้าผมปล่อยไม่ให้ทำอะไรกับผมเสียเลยผมก็เป็นบ้าเหมือนกันเพราะเป็นหัวบ้าที่ข้อวัดท้าปวงมันก็ อันตราทานไปหมดจากพระพุทธศาสนาถ้าจะมัวเกรงใจแต่ลูกศิษย์ลูกหามาให้ทำคอวัดเสียเลยอย่างนี้ผมก็เป็นคนป้นพระาศาสนาอีกเหมือนกันปัญหาของมันมีหลายเหลี่ยมเหมือนกันเหตุฉะนั้นจึงผมจึงให้ทำพอประทงังประทงเพื่อให้ความสะดวกแก่หม้เพื่อนปฏิบัติรักษาส่วนตัวใหม้มาก ใครมาอยู่ภูจ ก, ก้อนี่ถ้าว่าภาวานาไม่เป็นผมก็เรียกว่าไม่ภาวานาเพราะเข้าวัดตั้งปวงผมหยอดลงไปแล้วการงานทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในภูจ ก, ก้อนี้ไม่ใช่ผมพาไปแผกไปขอหรือหาอไรายได้รายดีอะไ ร, ะไรเมื่อมันเกิดมาเราทำอยู่ทุกวันนี้เกินฐานะของพวกเราไหมเกินฐานะในสังคมไหม ก็ไม่เกินเพราะมันอัตคัดจริงจริงได้ทำทีนี้ถ้าว่าผมจะมุ่งเจี๊ปงแต่เพียงสี่ห้าองค์ผมก็มุ่งไม่ได้ก็เพราะมุงมาหาผมอีกก็ว่าอย่างไงทีนี้มาทุกคนทุกคนผมก็ไม่ได้นิมนต์มาพวกท่านก็มาเองทีนี้ข้อนี้สำคัญมากเลย ผมจะย่อนกับหมู่ผมก็ย่อนได้เพียงนี้ถ้าให้ผมย่อนไปกว่านี้การปฏิบัติก็ไม่มีความหมายอีกม้านกันที่นี่แขกมาหาบางท่านเขาก็มาหาทำจริง บางท่านเขาก็ปะปะ ป, ะ ป, ะ ป, ะปนมาด้วยเป็นเรื่องโลกเรื่องของศาลของเขาทีนี่ที่นีจะมาติมาโทษของผมก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้สั่งให้เขามาเขาก็มาเองภาพโทษของผมเป็นคนมุ่งหมายภายนอกเป็นผู้มุ่งหมายราบยศเสรเสริญอะไรหรือไม่ถ้ามูอ่านออกอ่านพบออกก็เป็นการดี ถ้ามูเพิ่มโทษของผมหน้าเดียวบางรายก็จะค้าคๆกระบว้น้ำลายขึ้นฟ้าแต่ก่อนผมขอน้ามาจากหัวข้อถึงหกเจ็ดแปดปี เ ด, เดี๋ยวนี้ถ้าควายยากก็ายากเพียงตักมาจากข้างล่างมาล่างบาททนั้นเล็กน้อยคงไม่หนักเหมือนที่ผมมาอยู่ข้างแรกผมมาอยู่ข้างแรกผมก็กวาดลานวัดสามวันข้างหนึ่งสามวันข้างหนึ่งนี่ ไม่ไม่ไม่ได้หมายในยว่ดหมายเฉพาะหนทางลงไปบินทบาตถ้าอย่างนั้นก็มีงูมากที่นี่ด้านปจัจเจกสีของพวกเราที่นี่จะถือว่าอดก็ไม่ถูกจะถือว่ารวยก็ไม่ถูกมีพอกินพอขี่พอนุ่มพอถืออยู่บ้าง การคนมาในทิ่ทั้งสี่จะปฏิเตียนผมก็ไม่ได้ผม 37, สามสิบเจ็ดพรรษาแล้วจะปรารถนามาให้มีใครมาเยี่ยมผมเสียเลยพวกนั่นก็เป็นมิจฉาทิฐินั่นถ้าจะถือเอาผมคุกคีด้วยคณะญาติโยมอย่างนี้คุกคียังไง เขามานมนต์ผมในที่ตั้งสี่ผมก็ไม่ชอบไปอีกเสียด้วยเช่นต่างจังหวัดเ น, นี่ยถึงแม้ว่าผมอยู่ดีมีกำลังอยู่ผมก็ไม่ค่อยไปผมก็เก็บตัวผมไว้ผมก็เพ่งโทษผมอยู่การไปในที่ตั้งสี่ต่างจังหวัดหนึ่งเพื่อจะไปขายตัว เพื่ออยากให้เขารูปตัวว่าอยู่ที่นั่นอยู่ที่นี่เพื่อจะให้เขามาหาผมก็เบากว่าเพื่อนเชียแล้วอายุพรรษาสามสิบเก็บนี่ผมไม่ค่อยไปที่ไหนเชียแล้วแต่จะว่าผมไปเสหาญาติโยมมาให้วุ่นวายในวัดเนว่าผมก็ไม่ยอมเองเหมือนกันตอนนี้ ถ้าต่างคนต่างหวังพ้นทุกข์ในวัฏสงสารปัญหามันก็ไม่มากถึงแม้จะมากก็เป็นของเบาถ้าต่างคนต่างจะมีแง่มีงอนใส่กันอยู่มันก็เป็นของุงหยืงถ้าจะหากินทางแง่ทางงอนถ้าหากว่ามีภาพพจนหวังพ้นทุกข์ในวัฏสงสารปัญหาหนักหนักก็สอก ออกบาดเดียวมันก็ไปเลยมียังไงก็กินอย่างนั้นก็อยู่อย่างนั้นก็เห็นด้วยกันหมดนี่ไม่มีที่รับรีนี่ก็เห็นด้วยกันหมด ทุกยังไงมียังไงจนยังไงก็เห็นแต่กันหมดไม่มีทางรับรี่เลยในส่วนขอภายนอกส่วนของภายในขอขายของมันในส่วนจิตใจทีนี้ถ้าเรารักการพ้นทุกขในมัตารสสารหรือเชื่อพระพุทธธรรมประสงค์อย่างลงอย่างสนิทเนี่ย ปัญหาอื่นไม่เป็นปัญหาอะไรเลยไม่มีพวกเราอยู่นี่ไม่ได้รวยพอจะลืมตัวมันก็คัดของเสร็จแล้วพวกที่มุ่งดีก็คัดของตัวพวกมุงซัวเพราะมันอยู่ในโลกน้วยเดียวเด้พวกพวกมุงซัวก็คัดของตัวพวกมุงดีว่ามากิีวัวงตัว พวกมุ่งดีกัว่าพวกมุ่งสู้วมาเฮ็ดแห่สามาเฮ็ดไ้จับบอติสเพราะมันจิงกับยอะเน่กล่ำและคนของกล่ำันพราะอยู่ระดับใดมีควอมเห็นระดับใดที่กลมกลืงกันกับเขากันได้ค้อมเห็นระดับบ่กลมกลืนกันกับเขากันบ่ได้มันทางเนยกันเองอผูกพิษ ส่ายทังไรกลมี่พายไปแย่ใครข้อมชอบแล้วความไม่ชอบนี่มันถือท่านไหนจานชิงทองพันเทศแล้วก็ถือเป็นขตีอยู่กันชิงที่ชอบน่ะถือเป็นเครื่องเบาเบดอยู่นังโน่น ล, ละค้อ น, นั่งฟังลำฟองเพลงกระดิ่งหอดมือเศร้าชิงที่ไม่ชอบแล้ว อย่างนี้นเสียงธรรมะึ้นปานหอกแท่งหูว่านัส อ, อย่าดิ้งเต้าวอาเป็นคติโยแมียนต่บอทันวาบอทันวาอีกกับเมีนอีกพระรังที่มาอยู่น้ำเฮา ที่มาอาศัยเฮามาอาศัยผดผ้าถ่ายเฮาอยู่ผมที่ถือเสียงเิ้งเบียงว่าเหมือนกับหลวงปู่มหาบัวผมก็ถือว่าได้เพราะอัจรรยุตาลูจักะมานตนอีกผมก็เลยมอบภ้าย่าพโพธกับสงเห็นสมควร จังไลยเป็นปู่พิ่จเจ า, าหน้า soi ครับหลวงปู่มหาน่ยในเรื่องสีรับก้นหรือสีบรับก้นบางข้าพนก็เอาใจ่พนเพื่อเดียวบางข้าพนก็ฟังเสียงสงคือไก่ฟังเสียงมูเสังเพี้ยนคือไก่ เสียงฟังเสียงคุ้นอินเป็นตน้นฟังเสียงท่านประยุ์เป็นตน้นฟังเสียงท่านบุญมีเป็นต้นไปสักกอ น, ะะอนบางข้าเพราะเพิ่งกับ่าตามเห็นอยู่กูบัญญอย่างเ้แต่ห่างเห็นเพิ่กับเบงแคบเดียวทาร่พืหมันติขวงมูหรือบวงก็ดีแต่ค่อยฟังเสียงมู เพิ่อนวอาติดปากอยู่เส ม, มอรับค้นเขาสำนักนักทอแผ่นดินนี่ลวงผู้ฝันกค่อยบอกลุงโอลง้ลวงผู้หมันก็ค่อยบอกไปจักสิเปไปจักสิบานเป้หรือบานกระยอบบางข้าวก็เล่ยมออกพัดไนเรื่องของเขา บางข้าก็เอาเป็นเรื่องของโตตัดชิ้นเองเร็นขังพระองค์เจ้าสิพระเทวทัตกับพระนางสิเป็นไปพระองค์เจ้ามังมิซานมีญาติหรื อ, อจึงให้พระเทวทัตบวชพระองค์เจ้าบอลูกก้อนหรือลูยุ่ยแต่เมื่อเวามัมาเกิมาผัดเดตามเรื่องเกยดเรื่องผั่ไปซื่อ เทวทัตแพ่นดินสุกทั้งเป็นมีประโยชน์หรือไม่สุปปุทะแผ่นดินสุกทั้งเป็นเพิ่นบอกขมื่อว่าสุภปุทฏะกับเทวทัตจะเป็นไพ่เพิ่นบอกเพิ่นจะไปเอากำนางพิมพ่าซึ่งเป็นลุงเพิ่นซึ่งเป็นพระเท่าเพิ่นเพิ่นกับพวกเพ่จะกรตาปุญญาตาเคยดิหวมหักหวมสร้างกันมามันกะหลีกเงา ส่วนพ้นอันนั้นสุดท้ายมันกันอุเบกขากรรมของผ้ายของมันมันแก้ไขบ่ได้มันก็บมีทั้งซัวมันก็บมีทั้งดีขางพระเจ้าก็ได้เพิดกะนับเอาแต่พูดีทุตซัวก็พวกชาพวักขี้มุนเนอโควขงังต่างซิคาร์บททั้งหลายกับเนื่องหลวงพระ ชาพาวัคขี้ทั้งนั้นแหละที่ขบททั้งหลายเกิดขึ้นที่ขบวัตที่ต่างด้วยพระอรหันต์เป็นเสื้อหน่อยต่างหน่วยพระปินโธนิดนึงเพิ่นสแสดงหออาบาดไมาจันได้ต่างเป็นอำนาจพระยิสตีแดง พุทธลิวจะทำที่มีจริงแกนุปัสสัมบันแต่นันมาเพิ่อนกระเล็บบ oh ่ให้เฮ็ดจ่วนพุทธส้นก้นหนานับเอาไว้อโลดมือนึงมือนึงได้รัพยละเหลืองโยชาลพัดไผ่ปะทุกข์ันพระ อ, องค์เจ่าาจิว่รต้งถุกแต่ห่างเพิ่นถือเป็นเหลืองเบาของเพิ่อนหมด ข้อพื้พื้นพุทธภูมิกำลังสติกำลังปัญญากำลังใจกำลังบาลามีของเพิ้นมันเหนือไปแล้วเมื่อนี่เป็นของกินกระปนุนของเพื้นซะพระปัญพักนั่งละฟองปิสุสัมมเนียนฟองอุบาสกอุบาสิกาฟองพุทธบริษัททั้งสีทั้งปริภากศก ทั้งผวกเดียร์ละทีสารพัดสิเขามาหาแเ่มือหนึ่งมือหนึ่งไรเขามาเมื่อตัวท่านมือท่านมัมีแพ้แพรจะเอ า, ายาพิษมาทุกทิศทุกทางมาเท่ห้มันกับบรับไหวอุปมาคือนามนหาสมุทรเรนเนี้ยแพ้ิดทิมซากศพโลกใส่กระตามมันบกเก็บไว้ในกามหาสมุทรมันสัดคือฟังมด บอกองว์เอาโหลดผ่านอุปสรรคทางในผ่านอุปสรรคทางหนือพวกนั้นน้ำคืนมาผมก็ไม่มคุ้มเทศผมก็ได้เทศไปเมื่อวานไงพวกแกหย่านะ้คืนมาคำคำ พ่ม า, มามื่อเน้ น, น, นมีหน้าที่จังไรขอวัดปฏิบัติเจ้าของจังไรที่พระพุทธเจ้าทรงมัญญัติไว้ก็ทำตามส่วนหลนักส דור มีหน้าที่จังไรจึงสมฐานะเราเป็นหลนักส דור ตัวนันก็ต้องปฏิบัติตาม เจ้านายที่ปกคลองเราเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้ายี น, นีหน้ า, นาที่ปฏิบัติอย่างไรขอให้หมันสมทนาของที่เป็นเจา้าเป็นหน้าสมธนาของที่เป็นราษฎรสมทนาของที่เปลี่ย น, นพิกลุชมเน่นเดี๋ยวขวัามักขี่หนึ่งบ่เอิ่นหามันกะมาดอก ลเททิ้งฉัดน่าจะไปเอาของเอากองมาตีสามัคคีกัสามัคคีในชั่วข้าวจีพ้าฝนฝ้าล่ำกระดาก็สามัคคีั่วข้าวสาหรับผู้จิตต่าสำหรับผู้จิตสูงที่ซื้อสินหาสินเปไปแล้ว เกิดเป็นเครื่องสแงอสดงมั่วสมเพราะในโลกมันเป็นขนมก้อนเดียวกันมันกันยากคันหากว่าราษฎรจะค่อยให้ด้เจอจะ่ายเอาสิ่งเอาของไอยแกกจังสีว่าดี เนมไม่ไมเกี น, นี่ยแทีเ่เฮ็ดจรงยเอามาใกับว่าบดีธนระอันนี้ก็เป็นหน้าที่รัฐส่วนจุฬหงักถว่ารัฐบาลเฮ็ดยังหายถนนหนทางให้กับพักการหงจักสอมแซมสารุดทพังก็ได้ดีบื่อดีนัดเล็กลักเอาไปตะพึ้ตะพื้สารพัด ที่ไปทับทมแต่รัฐบาลนต์ก็ไปบลวชอีกเหมือนกันห้อยอันพันแนวพระมุทเทเจ้าปกคล้องโลกว่า ม, มันสิมุ่งปกคล้องถภาพระพิสุสัมมานีนผู้บวชเขามาหาโตธทรมคำสอนของเพินมันปกคล้องอยู่ในตัวแล้ว ไผ่ศิวะฟังมันกระถือนักเลียงหญิงนักเลียงสุรานักเลี้ยงราชการพระนั่นเขาขนซัวเป็นมิตรพุ่นี้่าโลเอาไปประพุทธมันกับฮิบวัดอบายมุกมันชุกชุ่มผูเขามาในวัด คันมุงมหาชินารรมแทะมันกับว่าเป็นปัญหามุ่งมุ่งมาผูกเอาเล็กเอาบัตรเอาเบอร์เอาข้อม่อน้ำพระเจ้าพระสงฆ์สั่มว่าน้ำเจ้าหน่ายผู้หลงเชือไปน้ำเขามืนมีไปถ้ามาเทศชนะอันได้ดีๆพระเจ้าพระสงฆ์ผู้บวชมาในวัดพุทธศาสนานี่ ผู้บวชอย่างชีวิตก็มีผู้บวชพ่อไทยชื่อไทยเสียงก็มีผู้บวชด้วยตื่นข้าวก็มีผู้บวชหวังเพื่อเป็นพระปัจเจกสร่างเป็นพระปัจเจกก็มีผู้บวชหวังสร่างบารมีเป็นพระพุทธเจ้าก็มีผู้บวชหวังผลทุกในศาสตร์ทวาย ศ, ศ, ศิริยามิตรใก็มี ผู้หวดหวังผลทุกในปัจจุบันนศาสตร์กม็มีเมื่อเจตนาของมิกซุสมามเน่นต่งตางๆกันตามกรับห้องผู้ใดที่สางมากหน่อยและมากทั้งสี่แล้วพวกงานพวกง้มก็ว่าเสมอกันอีกคือกันเขาไปห้าพระเจ้าพระรงใบเห่นกม็มีอืม ฝนตกขีมาลายพ่นจังไห้มากง้อมกันเยู่นไตรโลกธาตุนี่เพราะว่ทันไม่ขันเพราะท่านบ่ท่านมีสัน้นเพราะบ่ทันมีพูม่มพวกมีสันมีพุ่มแล้วพระองค์รับรองทระประสวดาบัณฑสัคขาข้ามีอานาคข้ามีขึ้นไปจนถึงพระหลาน เหนือนอกนั่นกน็ไม่แน่นอนเพราะมีหลายบางที่หันมาเป็นทั้งสีการพกข้องโลกมันก็เป็นของอยากสำหรับพาไปซื้อสามเนิน มุ่งผูกข้องตนเองมั่นกับตนเองว่อเพราะอยู่ผู้เว่าผิดก็มีมูมีเผื่อนอีกคือกันสารผูสาคฆลาวาสมุ่งเอาตัวหอดก็เอาตัวหลอดว่ได้มีลูกมีล้านไม่ีเลรียมีหล่อนคือกันสารผูสานฆราวาสมุ่งเอาตัวหลอด ก็เอาตัวละบัดไมีหลูกมีร้านมีเล <c oughs> <t ong onions> ี네 numero, <t ong oranges> what, <fin> ้ยนมีหล่อนคือกันเหตุสังส่นพระยศพระพุทธเจ้าพระยศบริกรรมไปว่าที่นี่หุญไหว้นอที่นี่คัดคลองนอที่นี่หุญไหว้น้อที่นี่คัดคลองน้อสัตว์พอไปเห็นฉากศพ ไปเห็นนางสนุกกมมาว่างนอนอยู่เปลื่อยกาอยอยู่แทนที่เเพิ่นจิตกำเหลืบในล่าขะเพิ่นได้ถือเป็นเหมือนศักดศพในปราศาสตรหรือเพิ่มเพิ่นอีกปะเพิ่มบาลมีเพิน่นอุปสรรคอันนะั้นไดกายอถ้าผู้นักในล่าขะก็ต้องน้อมไปในล่าขะเห็นอย่างจังเพิ่นบนนักในล่าขะสะติลหัน มันาเป็นเครื่องหุ่นว่าคัดของมือนทีดิในปาษาหัําไร้เหงื่อกมี่สยายผมก็มีเปิดเปิงมากยุก็มีอ่บุนละมือเผือพื้นผ้ามกมี่เคละไหลออกกากปากก็มีน่ารับยุนที่นี่หุ่นไหวเนาะที่นี่คัดคองเนาะ อ, อันนไ้นมันเป็นพระวานาเลยเด้ หนกังคืนบริกรรมไปสั่นแล้วไปผ่อพระองค์เก้าที่นี่ไหมวุ่นวหวที่นี่ไหมคัดคองมานี่เถิดเหมือนดานเทวดานะรระละหรือทำมาละสิ่ดึงไปใทรกันเพราะธรรมดาเข็มมีโกนยื้อทางไหนเล็กแม่เล็ ก, ลกยื้อทางไหนเข็มอันหน่อยมันลึกตัวหน่อยมันกดดูดไปใส่ที่ข้างนี่จำเป็นไป ใกล้พระพุทธเจ้า <c oughs> ที่นี่ไมม ว, วุ่นวายที่นี่นคัดคองอคมานีเ่เถิดนั่งลงเถิดสำอะไมนั่นคณะนั้นก็สิมินนางเอาชกกระเียงท่าแก่ท่านทอดร่องเท่าแล้วไปฝั่งท้ำเทพท่าน้วกถาสีา้วกท้า อาที่กระถาเนคขมกักกระถาในการออกบวชเทิทอริยสัจสีในสมัยพรลหันเพระบางแล้วเพราะล่ า, ลาข้ามันหายไปแต่คนทา่าผิหรือลักเป็นพระอานาคามีแหละแต่คนท่างิดพระจักบุ ทหารกเทศอริย ส, สัตซีบาดียวไปเลยสิบุนไหวสิคัดของจังใดของเพิ่นบูมีกิเลศที่นี่บูบุนไหวที่นี่บคัดของที่ใจของเพลินบูบุไหวบูคัดของเลยคนบูมีกิเลศนะแล้วไปไซ้บูเป็นตาเรื่มไช้ยักบอน หัวลงมาตีนแต่ตีนขึ้นไปหัวก็ไดยนี่จะบันเถาบ่รแก้บรรก็มบรตายเบิดเดี๋ยวบงยังฝ้ายเนางฝ้ายท่าทำก็เหมือนกันอันเดียวกันเมือมอภา ก, กันเมือนนากวางไส เมือ่อผู้ใดมิขี่เลียร้ายกับเพื่นร้ายทัยเยอะทัยานร้า ย, ายทุกข์กับรายผู้ใดมิี่เลีน้อย ก, กับทัยเยอะทะยยานน้อยทุกข์กัน้อยส่วนทัเ ย, ยอทะยยานในภพหนาและภพลังนี่ กะป๋าดึงค้าต่อแล้วเมื่อพี่เหน้าไปใส่เมือนนากองไส้เมื่อแล้วอู่เลยคว่ำจำเป็นไปเลยคว่ำจำเป็นกินเลยคว่ำจาเป็นนั่งเลยคว่ำจำเป็นนอนเลยคว่ำจาเป็นเจ็บเลยคว่ำจาเป็นปวดเลยคว่ำจาเป็นอืม มบ้านที่เป็นบานที่เป็นาตาติดดูจากบอนสุขเกิดมากพรอบสุขในสกลละกายกับสวัสดิแก้งหงหูลดบลิน่นมี่จะถูกเอาลดในกล่องน้าลูกนี่ย นิ blender, laughs, powdered, ่พานมั hunter, chapters, ้งหรอ่ว่าอยุนอดีตวายุน้ำมานาคตรวยุน้ำปัจจุบันวายุน้ำกองหน้าลูกวายุน้ำเป่าพูรุกล่่ามันพานิพานพานิพานกับว่ามันพูรุพนิ่พานก่าได้วาเป็นธาตุพูรุพูรุกล่ว่าได้เป็นเป็นธาตุพานี่พาน จิตก็ยังว่าจิต น, นี่พานก็นยังวายนี่พานจิตก็บว่าม่น น, นีน่พาดนี่พลานก็บ่ามันจิตจริงไพ่จริงมั่นนิวเมื่อเดี๋วุ่นไหวกันหมุนไหวจะกุม ว, ว่าเขาใจรู้ บ, บรรลุธรมเป็นจริงของจิตใจผู้เจ้ามี้คิเลสยื่ซื้อซึ่งเมื่อเดี๋ยวมาเป็นสงครามกัน แก้เก็บตายก็บอกว่าสิมาเป็นสองข้ามกับศาสตร์กับภพเราว่าสิมาเป็นสองข้ามกับสะกดลละกายเป็นของกิ่ยงยี่สัตของไม่โยงศัตว์กิเลสก็บอได้ว่าสิมาเป็นสองข้ามกับยิ้กับใจเมื่อผู้บว ข้าววัลลูเท่าว่าบพรปฏิบัติเท่าเพราะพเท่าเข้าใจว่ามาเป็นสงข้าวมุกม้าคือสนิมแหละสนิมก็บอกว่าที่ไปเป็นสงข้ามเหมือนกับเล็กเล็กก็บ่กได้ยืนยันว่าสนิมมาเป็นสงข้ามกับโตพระอาทิตย์ก็บ่กได้ยืนยันว่าเมฆมองว่าเป็นสองข้ามกับโตเมฆมองก็บอก ยืนยันว่าพระอาทิตย์มาเป็นสองข้ามกับโตอันนั้นไม่ทำสันสูงดินก็ บ, บริยืนยันว่าหน้า ม, มาเป็นทสองข้ามกับเล่ามาคัดของกับเล่าหน้าก็บด้ยืนยันว่าดินมาคัดของกับเล่าไหยลงคือกันวัดสภาว่าสังขารเป็นด้วยจังสัต์ ใช่ตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงรุดพ้นจากปัญหาจาพร่องตามเป็นจริงเกิดเป็นเรื่องเจริญไล่ของฟ้าขอ ง, ของมันดูตามเป็นจริงในสั้นต้นดูตามเป็นจริงในการปฏิบัติเบื้องต้น ยัดข่มู่ตามเป็นจริงไว้ซีตอนใน พ, พระพุทธศาสนาพระโสดาบาลนู่ตามเป็นจริงตอนตอน้นปฏิบัติตามเป็นจริงตอนตอน้นลุดพ้นตามเป็นจริงตอนตอน้นพระสักขะธาข้ามี่สันที่สองู่ตามเป็นจริงรละเอียดก็ไปลบ ละเอียดก็ไปต้องก็พระสวัสดิบาอลอีกรูดละเอียดรูดทำเป็นจริงละเอียดก็ไปอีกปฏิบัติตามเป็นจริงละเอียดก็ไปอีกพ้นทำเป็นจริงละเอียดก็ไปอีกฐานาข้ามีคือกันถ้าละอาหารรูดทำเป็นจริงด้วยปฏิบัติตามเป็นจริงด้วยพ่อแล้วรูดพ้นตามเป็นจริงด้วย เพรู้ทำเป็นจริงปฏิบัติามเป็นจริงพ้นามเป็นจริงมันไม่ยุซีสักทีบอกพยยามมากงว่าข้าพเจ้าก็รู้ามเป็นจริงย้อนจากมันจริงสั้นไหนบุ๊คใครว่าผมสั่งโลกกีรโลกุตตะละบุ๊คโลกุตตะละกระกมันสั้นไหนบุ๊คมันนะข้าพเจ้ารู้ามเป็นจริงย้อนว่าจากมันจริงในสันไหบุ๊ค โมบีสมมุว่าเก็บมาสั่นอุบาทสิ็าหลามมันก็บโมี้เข้ามาทุกข์ก็เป็นโมคะนี่กายที่กระทุกทุกทางกายมันก็เป็นโมคะติ่เทุกครั้งอันนี้อาจารต่จงก็เป็นโมคะตีขันซาดว่าเป็นทุกข์ชาติปีตุกขาว่าเป็นทุกข์ชร า, าว่าเป็นทุกข์มรณะว่เป็นทุกข์ที่นี่ถ้ามาจับเมื่อเข้าบริบูรณ์แล้ว อาริยสัตยีกับว่าบุญยุบุญเนี่ก็ไม่ใชอริยสัจสามอริยสัตย์ศมายถึงทุกสมุทัยนี่หล่นมากเด้เมื่อพิ่แกน่าเองท่นมันเป็นมักเลยั่นมันคือขอปฏิบัติเดยไมนแจ้งไม่คิดมันก็เป็นนิโรธัสัญญานี่หั่นมันไม่ควอยเหลื่อมใสในเกิดแก้เก็บตายมันก็เป็นปฏิสัขสัญญาที่ท่นนี่มิพัสนากรรมยันไม่ไ้ไม่เหลื่อมใสในเกิดแก้เก็บตายซะท่น สีว่าจากโคปฏินิสโคก็เมนปฏินิสขะ uh huh. เพราะทรงคืนนี่ควมจะเคยเขาใจพิษบาทรงคืนหมด uh huh. ม, มองสัน่นจะทรงคืนไปใสบ่บล่ะทรงคืนบองสกุลทิมทรงคืนเนีพยพก็ะบะเอาแล้วพอกแพ้กระเ็มพ่อพ่อแหงนะเข้ามาทรงคืนหรอไม่ก็ามาขาใจพิดอัน uh huh. uh huh. ทรงขึน ข, ข, เข้เขาจะพิดเนี่ยทรงถิง่มป้อยถิ่มวันป้อยคั้วงเ ข, ขาจะพิดถิ่มนวันรู้รตามเป็นจริงอืมันเมื่อรู้ตามเป็นจริงตอนไหนมันกับปฏิบัติตามเป็นจริงตอนนั้นมันกับรู้ผลตามเป็นจริงตอนนั้นไปสื้อการะซ้ํามาถือกำลึบหรือบุกกำลึกมันก็ขึืนอยู่ ก, ก็ผาพโพเิมันมสัตหรืบอบสัตนะมองส่าะหรือปลาเาป็นบสัามันกอนนนือกรลึ เป็นพระสวัดวนนสดิบานั่สิกิเลสเพิ่นเบาไปแล้วล่าข้าเพิ่นกับเบาไปแล้วมรสามารถธิเลนเมียผู้อื่นเลยมันบริกลรขึ้นมาอีกเลยฮะไม่ได้ขึ้นมากขบรถอีกเลยาสามารถสามารธิเลนเมียผู้อื่นบราสามารถธิเลนหัวผู้อื่นมรสมารธิเสพสมลูกพอเมีเขาที่ทบวอนุญาตบ้านในแจ้งในแปลงมันว่าขบบถขึ้นพวกเนี่ย มองสาสาร์ผู้พองพรสวัดาบาล น, นะชะกัท้าฆ่าที่เบาไปก็พระสวยดาบานอีกบางก็เนี่ยคำนั้นสอกกำัน ไ, ได้เทียบเอกก้อนสอบส้นเดียวกันนได้เทียบเอกในขะนี้ติ่มว่าหมมัน่านเดียวกันพุ่มเดียวกันเสนฝระ่งน่าฆ่าฮะนี่ พานาค่าพวกที่ปรินิาพานในวกที่เกิดข้าแมสอบก็สอบไปเทียบเอกอยาก็แม่งอกเป็นฮาพวกอีกขึ้นกันพวกที่ใส่ความเพี้ยนเรียวแรงเด็มทั้งนาข้าท่านสนตีอันสันโต พวกที่ตายแล้วเกิดอวิหาอาตัตปาสุตสาสุตสีอากานิทะกาเเลื่อนขึ้นไปขึ้นไปร้ายกับร้ายกันปนรินิพพานรุ่นมูลสมนี่พวกกตวัตตวาพระโสดาวานัานสันอิศ ก็พระสโสดาบันเกิอดอีกสัต์นึงพระโสดาบันสันโทกเกิอดอีกสามาสาตวพระโสดาบันสัน้นปีเกิอดอีกเจ็ดสัตวพระเจ้าคท้าข้ามี มีผู้เดียวกันเราเห็นเพจใดสีหาความสุขในโลกกุตตละได้ง่ายกลัว<ส>เพจฆลาวาสหรือเพจพม่าจานัน อันนี้ใคมันตกลงจะคลองให้มันได้ซัดเนี่ยถาหกเร่าติตีข้อหมายว่าเล่าอยู่ารวาสรักษาสินหาเอากระไดดอกถึงเข้ามาหนุงเหลืองโฮมเหลืองแล้วสิให้ทราบเถิดว่ายคิตของเราถอยหลังแล้วสิ่ไหมคะเนี่ยนายปนเอกปรยูรละฮะ บางองค์มาปรึกษาเขาขอหน่อยปรึกษาเนี่ยเป็นพระอยู่มันลำคานมาเชิญขอหน่อยจะถอนตัวไปเป็นเนตปฏิบัตินึกการงานที่บ่าหลายเนี่ยมาเชิญมันสิดีบอมาเชิญเออว่าสถานห้องหัวใจแล้ววะ เหตุไฉจิตจึงเป็ี่ยนนิสัยวะจิตอันนี้จิตสอบวิเวกยูวะบามักหกวุนบามักไหววะบามักไงไฟสูงกิ่งอยู่ถูกดูแต่ว่าขันห้าบวชเป็นพระแล้วน่ะหาวจไปซิกห้าวจะไปเป็นกับไปเป็นเน่นี่บวถือได้วาเป็นมาทิฐิด้ว บถ่ถกอวาขันหา้าพ่อนเป็นยักเถื่อนเ่ยแม่นิววะมอกีน่นุ่งยตุวบวะบ่ดีวะขัน้าพ่นเป็นยักเทื่อนเน่ยแม่นววะหาได้เป็นแล้วจหวลงไปเป็นเน่น่ปฏิบัติออกก็ไดมักพ้นนี่พา น, นกันเนาะก็เรียกว่าขาประมาทเพพระว่า บ, ด บ, ดบดไ่ได้วะแต่เพจพระกันยังม่าสามารถรักษาบ่าไปเป็นเ น, น่ เฮ้ยจังไรม่ใช่เลยมรคนี่พามาเสียแล้วห่ระวังเสียแล้เป็นเนีเป็นยังอยู่ของแมนนะบอกว่าว่าจกบวชพระสิเอาเทเน่ยนี่ดอกอแมนยุกมาเสียแลอันนี้มาด่ดยบวชเป็นพระทั้งป่านนี่กรบัได้กว่าบัถึกกว่าหนึ่งขีดขานไปสังสรรค์กามูขะเพื่อน สองสร้างางานจุกๆกิกหลายอย่างสามสร้างมันซื้อใ่นึกไปกันดนี่วะสี่ขี้ขาดไปฮหบบินทบบาทห้าว่าจะไปกระดิ่ต้มกินห้งกินวะไม่ากขันใจหัวผู้ด่างค้นวะว่ถึกว่าว่ดีวะ สมัยเดียวนี่พระขังคือครั้งพุทธการซช่แล้วครั้งพุทธการเพิ่นก็มีแต่พระอรหันต์อรหันต์หลายสมควรขังเฮ้านี่มั น, พนเพิ่นได้เพิ่นกับว่าเขียนใช่หน้าผาไว้กับยกไว้สะก้อนอ่น ที่โยมเมื่อพระอรหันต์ไม่มากโยมก็สนใจธรรมะมากสัทธาก็มากความเห็ความทำาุกทิ้งทุกอย่างก็เลยกลายเป็นงานของงม่มหลายกองานของพระ ซูมื้อนีควมปฏิบัติของพระกับขงจับยอนลงเ mm hmm. มื่อความปฏิบัติของพระยอนลงควมเดลี่ยมสายสัทธาของงานย่อมกับยอนลงเป็นธรรมดามานั่งไปพร้อมกันพกขนมก่อนเดียวกันทอดเส้นหนามมันหมูในโลกอนนี้ ขันทั้งา ย, ยจะเลิ่อนขึ้นในด้านจิตใจไฟห ย, ยาดไฟโยกก็ตองจะเลื่อขึ้นในด้านจิตใจคือกันเพราะเหตุใดเพราะสุข้อนสุอาศัยกันนี้มันกระต้อนในเขาไก่สังสันกันนี่แล้วกัรเชื่อมก็เสื่อมต้องน้อกามัดทั้งหยาดทั้ ง, งมทั้งพาเนี่พูดสิท่ายรพระพุทธศาสนา การม่นพิกชู ส, สัมมานีุบาโซกุบาชิกาผู้ชีเฮให้ขอวัดปฏิบัติเสื่อมผู้ชีเฮตห้ขอวัดปฏิบัติสูงขึ้นการม่นพระพิกชูสัมมานอุบาโซอุบาชิกาพระพุทธเจ้ายืานยันว่าเพรแห้งหรือเปลแต่ขอวัดของพระองค์เจ้าที่ว่างไว้ได้เสื่อมไปใช้มีอยู่คือเกาบุคคลผู้ปฏิบัติเสื่อมลง หรือจเจริญขึ้นเมมีมจเจริญโม ม, มีเสียมอันพรองค์กาว่างไว้แล้วนะเป็นของตายตัวแล้วพระเจ้าองค์ไหนก็มาเถียงกันกาวล่ะอันองนั่นมาตัดสรู้เยเพิ่มถ้ามะขื้นไม่อีกของแม่ันไหม เราก็หกัวก็มาได้ไหม้นี่ยะท่าสุมนี่าสันตะเกียงบุมีจักรเถารักป่าสัรพพุทธเจ้าบวได้วาปุ๊เพศสุอนนนุสติทุท่าเมสุจักคุ้งมาันมันมีมาตัพไดาสันเป็นเจเพียงเรามาพอเป็นว่าระเป็น ย, กกยุกคือทราทั้งห้ายมู้นีมีวิถ้พัดไดาันเป็นของกิ่งอยู่ว่าเน่คดข้านกันพระพุทธเจ้าทั้งร้ายกรดพุทธเจ้าองค์ก่อน บม่ได้สลาดทั่วเห่าบม่ได้ตัดสรูดเต็มพูมิคือเห่าพระพุทธเจ้าบม่ได้ตัดพอกันพิจารณาญสันยญญญาสามบารมีหน่อยมากเท่านั้นรูเหมือนกฎหมายกฎหมู่กฎผักกฎพวกทำบัณฑิตายไปไส่โลกขี้ยะทำกับบตายไปไส่ไประจำโลกอยู่ โลกุตตะลาก้ำกบได้ตายไปไซเป็นของกิ่งของมีอยังสัตว์ถ้าไเกิดายดับกบได้ตายไปไซเป็นของกิ่งอยู่ยังสัตวกิ่งในท่าทงถูกในสังขารนะถำไฟอวิสังขารบ่เกิดบ่ดับกบได้ตายไปไซเป็นของกิ่งอยู่ังสัตพระศเห็นว่าเห็นกระซังมีอยู่ยังสัตว์พระศีได้พรได้ก็ตามพระพุทธเจ้าสมาตัดหรือมามาตัดกระซงทำสองไฟต่อมีอยู่ยังสัต ทึงสันทิงยืนยันราำเกิดก่อนเราเป็นวะไม่ใช่เราเกิดก่อนทำเป็นแตาเรามาลูล่เป็นเพียงยุกหของพระพุทธเจ้าก็คือเป็นวะเหตุทิงสันท่าจังเข้าลบถ้ำเกี่ยวกับร่างกายกับจิตใจอยู่หมดเบค <c oughs> ันราม่มีร่างกายบาม่มีจิตเพไม่มีใจท้ามิหรือไม่ น, นี่ปัญหาสอดคมาอีกอ่ะโนมีร่างกายและคิดใจสังขารธรรมมีหรือไม่ก็บินใบไม้ต้นไม้พักงาดินนม้มไฟลมที่ว่ามีพระพุทธเจ้ากัจัดเป็นสังขารธรรมมีอยู่ชั ส่วนมักผลในผ่านก็มิยูชัดเนี่ยที่บ่มีจิตมิใจกสร้างรูปประถมสภาวะอันเป็นรูปอารูปประถมสภาวะอันเป็นอารูป คือเวทนาสัญญาสังขานเป็ญยาโล ก, กุตระถ้ำสั่นพน้นจากโลกมีอยู่จังสั่นอันนั้นกระดาษไผ่ชรูบัวรูมันบวกลุ่ยอยู่กับถ้ำทั้งหลายขึ้นอยู่กับผู้รูผู้บัวรูผู้ปฏิบัติบุปฏิบัติ กามาวจระพุ่มว่นี่พุ่มของกิจใจผู้ท่องเที่ยวอยู่ในกามหมายถึงกามาพระเจ้าหกสรูปป่าวจระพุ่มผู้ท่องเที่ยวอยู่ในรูปหมายถึงรูปประพุ่มสหกสัตว อรู ป, ปาไว้จะแลมผู้เที่ยวท่องเที่ยวอยู่ในอาูปหมายค้อพวกภาวนาอากาศสานั่นจายตนวินญาณนั่นจายตนอาจินจันญายตนะนี่วัญญ า, า, า, า, ย า, ยา ญ, ญ า, าสัญญายตนาพวกนี้ติดอยู่หัน โล ก, กุตละภู่มสั่นพ่นจากโลกหมายถึงภุ่มของพ ร, ร, พระละหันเพย์จึงสั่นพระเนี่ยว่าพบสามพุ่มสี่างกันยังไงกามาพบลูกปรพบอรูปปพกามวะเจระพุ่มลูกป่าวะเจระภุ่มอรูปป า, าวาเจ ร, ร, ปประภุมปปะ่มมีข้อหมายอันเดียวกัน ภูมิคือพุ่มของกิจพบเป็นที่เกิดของกิจเพราะประการนัดอย่ีนในพบนั่นมีค้อไม้อันเดียวกันโนกุตระพุ่ิจัดเป็นชีสัน่นภุมิของพระสวสดาบัณสิตขาทา ค, า ม, า, คามีอหนาคามีอรหรัน ผู้ของพระอรหันต์จัดออกไปอีกสุขวิปัสสกุลเตวิโชวยชะละพิญโยปฏิสัมพิทาปโตนี่หมายความพวกสาวกเป็นที่จำพวกผู้ของพระอรหันต์จัดออกไปอีกปัจเจกภ พ, พุทธภูมิ พรเกพระพุทธเจ้าในโลกุตตะภูมิสมบัติอันสูงโกมูแมนภูมิของพระ พ, พุทธเจ้าแมนพระพุทธเจ้าภูตัสระลุย่างเต็มที่แล้วหรือกำลังปฎถนายูบาลสำเร็จก็แมเมนภูมิพระพุทธเจ้าสูงโกมู ผู้พบพระเจดเป็นสั้นที่2ภู้มของผู้หวังเป็นอาหาันตะคีน้าศพเบืองใต้เบื้องขวเป็นสั้นที่สผู้หวังสาวะสะกสันผู้ใหญ่แต่หามีเอตตะคะเป็นสั้นที่สผู้หวังสุขขายิปัสโกเป็นสั้นที่หาแต่ว่าสั้นที่เทไรกรตามพ่นจากกิเลสมีรถอันเดียวกัน มีรสชาติเพมาเกิดมาเกยมาเกี้ม า, า, า, าตายอันเดียวกันผมมีรสชาติมาโลบมาโกรธมาหลงอันเดียวกันขันของคิดของใจม่วแมนสีมาหวังเปลี่ยนหวังตายอยู่ในแต่เทีว่าโลกพ้นพมาโลกมนุษย์โลกสัตว์โลก เกตนาของกิ๊บของไก่ก็ไายบ่ามันแหน่ที่มามุ่งเท่านั้นของดีกว่านั้นไม่อยู่อีกต้องมุ่งขึ้นไปอีกถึงที่แม้เป็นกิเลสกระซ่างบ่งามันสิมามุ่งปรารถนาจะซื้อถ้ำผ่อมปฏิบัติผ่อมบ่ามันสิหากินน่ะมันจะขั้วปรารถนา และเจตนาซื้อเจตนาอยากเป็นเศรษฐีแต่หางมเหตุงานไม่มีไรายได้กะจะเป็นเศรษฐีดอกก็สั่งกระเบื้อไมา ย, ยัางสั่งเหตุพร้อมท่าพร้อมทำสติกำลัง